พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่13ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่าศีลและวินัยมีอยู่ตราบใดาศาสนาของตถาคตมีอยู่ตราบนั้น วันนี้เป็นวันตำรวจนะวันนี้นะวันที่สิบสาตุลาเนี่ยวันที่13ตานะ13ตุลาเป็นวันตำรวจคนเราถ้ามีเหตุมีผลนะอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองอย่าไปดันทุลังทำอะไรมันดันทลังมันคนที่อยู่เกี่ยวข้องทำงานยากทำงานกับเรายากเพราะเราทำงานหัวชนฝาเราต้องเปิดกว้างเปิดประตูแต่ไม้ตายของเรามันมีอยู่เปิดเะก่อน เปิดให้เขาเดินซะก่อนเดินเดินเดินเดิน<ๆ>ดูแล้วมันเดินจเปสะสปะนะไม่เขารูปเขารอยเราก็ยต้องใช้ไม้ตายฟันเปี้ยงมันก็เป็นที่ยอมรับถ้าปุบ ป, ปับมาหัวชนฟ้าไม่ให้ใครมีความคิดความเห็นเฉลยอันนั้นทำงานด้วยยาก เ, ายเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้จะทำยังไงพูดไปแล้วก็ไม่ได้เขากีดเส้นตายไปแล้ว การอยู่ด้วยกันจะเป็นวัดวาศาสนาจะเป็นที่ไหนๆก็ตามครอบครัวก็ตามสำนักงานก็ตามมันต้องเปิดกว้างแสดงความคิดเห็นแต่ว่าจุดที่เราไม้ตายของเรามันมีอยู่ในใจแต่ถึงยังไงก็เถอะไม้ตายของเราเนี่ยถ้าเหตุผลของเขาเหนือกว่าเราก็ต้องยอมเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม้ตายของเราเนี่ เอาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นไม่ใช่แต่เราคิดเส้นตายเป็นคจริงอยู่แต่เขาอ้างเหตุผลเขามอเออใช่เหตุผลของเราเนะ้ด้อยของเขาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเรามองในมุมเดียวเกินไปแต่ปัญหา เ, าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเขาพูดเนี่ยมันมีหลักเหตุมันมีเหตุผลของเขาน่ะ่ะอันนี้เราก็ต้องยอมรับเขา ไม่ใช่ว่าเอาอย่างไรก็เอาแต่ตัวเองนี่แหละหลวงพ่อไปทำงานกับผู้ใดพี่น้องถ้าหางว่าทำแบบ ด, ดันทูลังหงวัวชนฝานะโอ้หลวงพ่อทำงานด้วยยากมากมิถะถอยเท่านั้นพอเข้าไปแล้วถ้ามีลักษณะอย่างนั้นก็โฟูดเวิร์กกระโดดออกม่ให้คอยอยู่ข้างนอกเอาคือเจ้าทำไปเราเป็นอยู่ วงนอกอย่างพร้อมที่จะสนับสนุนนะถ้ามันไปในทางที่ถูกต้องถ้าไม่บัถ้ามันไม่ถูกต้องนะเราก็ถอยกถ้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วมันจะก้าวหน้ามันจะไปได้อย่างไรกิจการงานเพราะว่าผู้ที่ผู้มีมีความคิดทันนะที่จะทําอย่างนั้นได้ถ้าไม่มีความคิดเอาหลับหูหลับตาทําไปไอคนที่หลับหูหลับตาทําไปไปมันก็ไม่ถึงไหนอีกเหมือนกันนะ แน่พอมันต่างคนก็ต่างพยุงกันไปพยุงกันมาไม่รู้จะเดินทางไหนอีกเหมือนกันผู้ที่จะดูแลมันมันดูดูแล้ ว, ม, ม, ลวมันไปไม่ได้อย่างนั้นะนี่แหละอันนี้คือคือสรุปแล้วก็คือให้ต้องมีประชาธิปไตยลากหลายอย่างหลวงพ่ออยู่ในวัดเหมือนกันนะหลวงพ่อบริหารหลวงพ่อไม่ได้เอเ่อยใจตัวเองนะบางครั้งเรื่องการดูแลพระบริหาร เว้นเสียแต่ ว, วินัยถ้าวิในของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้อย่างไรข้ามไม่ได้จุดนั้นต้องตรงไปตรงมาถ้าใครผิดก็ต้องเสือนตามนั้นเลยฟันตามนั้นเพราะมันมีหลักอยู่แล้ววิในศิลและวิในต้องเคารพพระพุทธเจ้าท่านตัดเนี่ยสิลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นก็เป็นอันว่าทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยถ้าพระยังอยู่ในวินยัยยังอยู่ในศีลอยู่ทส่วนอื่นก็มันเป็นไปได้แต่ถ้าว่าทาและวินัยขาดไปแล้ววินัยขาดไปแล้วพระไม่มีพระไม่มีศีลไม่มีวินัยแล้วส่วนอื่นก็ค่อยเลื่อยหล่อไปเรื่อยเหมือนกัน ปรพนันเรื่องเราต้องรักษากฎไว้ให้ดีอย่างประเทศชาติของเราต้องมาพิจารณาดูสิถ้ากฎหมายล้มเหลวประเทศมีท่านบริหารด้วยกฎหมายบ้านเมืองถ้ากฎหมายล้มเหลวประเทศชาติจะไปได้ไหมใครทําอะไรทําันตามอำเภอใจทําตามอัธถาใจโดยมากอัธถาใจของตนเองชอบไปทางต่ําอันไหนที่เ อ, อเสียหาย โดยมากกิเลสมันชอบไปทางต่ําโลภ บ, บังโกรธบางหลงบังรักบังเกียบบางชังบางอะไรมั้มีทั้งหมดะนะถึงจะเกลียดจะชังก็ต้องมีเหตุผลเราเกลียดชังเพราะอะไรเป็นส่วนตัวแล้วเป็นอะไรมันผิดไหมเดี๋ยวมันไม่ผิดนะมันผิดกฎหมายไหมเดี๋ยวมันไม่ผิดมันต้องมีกฎในระหว่างกลางอีกเดี๋ยวละอันนี้ก็เหมือนกันนะพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายต้องเคารพวินัย ต้องเคารพในศิลป์ของตนเองอยู่นสถานที่ใดให้เคารพในศิลป์ถ้าพระที่มีศิลป์แล้วสวยงามกิริยามรรยญาตแสดงออกอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตรธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติสวยงามมาตั้งเป็นพันปีแต่พวกเรา เอากิเลสออกมาน่ยใครจะเป็นพี่ที่ยอมรับ อ, ออกมาเท่าไหรก่ก็เปิดออกมาเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความไม่รอบครอบของแต่ละคนแต่ละตัวกิเลสเนะ่เพราะนั้นพวกเราทุกคนทุกองนะพระต้องศึกษาเรื่องวิ น, นัยโดยมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องพระเก่าพระเก่าก็คือพระจะอยู่ใน สมณเพศหรือว่าผู้จะดำรงทรงศาสนาต่อไปถ้าจะเปรียบเทียบเป็นนักวยอาชีพนะไม่ใช่สมัครเล่นสมัครเล่นก็คือบวชมาชั่วคราวแล้วก็เข้ามาแล้วออกไปอันนั้นเป็นสมัครเล่นแต่ก็ให้อยู่ในกรอบแต่นักวยอาชีพเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบเรื่องวิ น, นัย เหมือนกับท่องกฎหมายอย่างนั้นอ่ะมันต้องดูทำให้ดูไม่ได้มันขาดตกบกพร่องได้ง่ายแต่ทันเราขาดในในในการดูเรื่องสิ่งเล็วินัยแต่เล็วินัยมัน ม, ม, นมีมันมีเรื่องไปเรื่องมาทั้งหมดพิสูกบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติตื่งนี้เพราะอะไรอย่างพิสุจดื่มน้ำเมาต้องปาจิตติแต่ก็โทษไม่หนักนะ แต่ทุกวันเนี่ยเขาเอาจับศึกตามให้จริงกระหาจะเป็นอย่างนั้นเพราะสมัยก่อนดื่มน้ำเมามื่ก็ดื่มเฉยๆตกทุกวันนี่ยมันดื่มน้ำมันเอเสียหายอีกต่างหากีลนยะ เ, เกลากล้าลาน เ, าเสียหายแต่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพระเถระองค์หนึ่งท่านมีอิทธิฤทธิ์นะพระองค์นี้ในครั้งพุทธกาล คือเหาะเหินเดินฟ้าได้เพาะงั้นดําดินบินบนได้แสดงฤทธิ์ได้แต่ไม่ใช่โลกุตละนะคำว่าชาญตอนนี้มันมีอยู่สองนะโลกิยาชาหนึ่งโลกุตละชาหนึ่งโลกุตละช า, าเนี่ยเหมือนกับทองคําทองคําเนี่ยไปตึกไปตกขี้ตมขี้โคขดยังไงมันก็เหลืองอลามอยู่อย่างเก่าเอาน้ํากดข้าปศาสัสมันก็ยังเป็นน้ํากดอยู่อย่างเก่าอันนี้คือโลกุตละแต่ว่า มาตรฐานไม่หวั่นไหวแปลว่าอยู่ตัวอิ่มตัวทรงตัวได้มีคุณค่าในตัวของตัวเองในว่าโล ก, กุตระแต่โลกิยะเนี่ยมันเสื่อมได้เหมือนกับทองเหลืองทองแดงเอาน้ำกรดสาดเข้าไปนั้นละลายหมดต ะ, ะเลงหมดหรือว่าเอาอะไรใส่เข้าไปเปลี่ยนสีทันทีเนละเพราะอะไรเพราะว่า โลกิยะแปลว่าของไม่จริงมันของปลอมแต่ทำได้ใช้ได้แต่ว่าจะให้มาตรฐานไม่เหมือนทองคำนี่ลรา โ, โลกิยะพระองค์นั้นพระเทวท่านนั้นก็ได้โลกิยะนะแสดงฤทธิ์ได้ต่อมาก็มีจุดหนึ่งที่เขาบอกเป็นที่อาถรรพ์เป็นที่เคสใครเขาบอามีพญานาคอยู่ตรงนั้น พระเทระนี่ก็ไปแสดงอิทธิฤทธิ์สู้กับพญานาคพออยู่กับพญานาคพญานาคยอมแพ้เพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าจากนั้นพี่น้องชาวบ้านเขาก็เห็นโอ้โหพระเทระท่านนี่เกง่งจริงๆว่าเดินไปบินทบาทที่ไหนเขาก็พระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรจะให้ผมถวายอะไรช่วยอะไรต้องการอะไรหลิวล้อของพระ เทระเนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนดีทั้งหมดใช่ไหมล่ะเดินตามล้างไปโอ้ยพระเทระเนี่ยต้องการสุราสีแดงเหมือนเท้านกพริราบ่ะถ้าเป็นทุกวันก็คงจะแม่ขงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อันที่มันที่ดีที่สุดของเมืองไทยอย่าง น, นั้นแะอ่ายนั่นก็คือว่าดีที่สุดของในยุคนั้นเขาเ็าเอาดีที่สุดเน่ยทวายพระเทระพระเทระก็ เดินไปบินทบาทหลิวล้อเนี่ยคือตามหลังไปเนี่ยต้องการอะไรพระเทระต้องการนันนั้นเขาก็ถวายไปบ้านนี้เขาก็ถวายแก้วหนึ่งเหมือนกนดื่มนั่งแล้วก็ดื่มเข้าไปไปอีกบ้านหน้าเขาถวายอีกแก้วนึ่งพอเดินไปเดินมาทีนี่ก็วะยังไม่ถึงวัดนอนหงายผึงเลยบาทไปคนอธิษทางกับพระจีวรเหมือ น, นพระเหมาเล่าก็เป็นในครั้งพุทธกาลเล เออตีนี้ก็พระเมาเล่าที่พวกพระทั้งหลายก็ห้อมหุ้มล้อมอยู่เออพระเมาเล่าเพราะพระพองค์ก็เดินไปพอท่านจะบัญญัติวินัยเนี่ยท่านก็เดินไปเดินไปไ ป, ไ ป, ไปอยู่ทางหัวทางศีรษะของพระนั้นท่านองค์นั้นก็ไม่รู้สึกแล้วนอนแผ่สองสลิงอยู่งั้นนะเออคนเมาเล่านะพร ะ, ะ, พระองค์บอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ย มีอิทธิฤทธิใช่ไหมว่าเข า, าใช่ครับมีมีอิทธิฤท ธ, ธิพระเจ้าพ่าเนสู้ก็พญานาคมาเนี่ห ม, มัดมาดแล้วก็ไปบินทบาทคนทั้งหลายก็เห็นท่านเก่งกล้าสามารถก็เลยถวายสุราให้ท่านดืม่มท่านก็ดื่มสุราพนะระองค์บอกว่านี่นะถ้าเป็นลักษณะเห็นไหมนะแต่ก่อนพระองค์เนี่ยนะถ้าเห็นเราตถาคตมาเนี่ย เขาจะทําอย่างนี้ไหมโอ้ยไม่ทำเลยพระเจ้าค่ะเมื่อเห็นพระพุทธองค์มาเขาก็จะต้องลุกแสดงเคารพคาระวะด้วยความอ่อนน้อม อ, อย่างสุดซึ้งเพราะเป็นพบบรมศาสดาแต่นี่เขาทําไหมไม่ทําพระเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะเขาขาดสติเขาเมาแล้วพระเจ้าค่ะเขาเมาเขาขาดสตินี่แหละการขาดสติไม่เป็นผลดีใช่ไหมพวกท่านทั้งหลายพระเจ้าค่ะแต่นี้เป็นยังไงล่ะ พระที่นอนอยู่เนี่ยเอาไปสู้กับพญานาคกจะสู้พญานาคไดไหมอ้ยไม่ได้แล้วพระเจ้าขาวนะขนาดเอาไปสู้กับงูเลือนนะงูเลือนก็ยังจะกัดเอากันไม่ต้องพูดถึงพญานาคเราพระเจ้าขาวนะนั่นแหละนั่นแหละต่อนนี้ต่อไปนะพิกษุใดก็าตามถ้าดื่มสุราและเมลยัยต้องปาจิตตินี่แหละบัญญัติกดขึ้นมาแล้วนะนี่แหละ ต้องมีเหตุซะก่อนพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยในครั้งนู้นเพราะฉนั้นศิลและวินัยที่พวกเราสวดทุกสิบห้าวันเนี่ยความเป็นมาแต่ละข้อละข้อนั้นเป็นมาอย่างอย่างอย่างที่หลวงพ่อได้สาธกเล้าพูดให้ฟังเนี่ยนะมันมีเรื่องราวซะก่อนพระพุทธองค์จึงบัญญัติวินัยคือบัญญัติกฎรละเบียรนะเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองกฎทําผิดซะก่อนจะค่อยตั้งกฎตั้งกฎกติกา แต่ข้าวหน้ามาอีกล้างอีกแต่รัฐมารรัฐบาลแต่ศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติแล้วคงเส้นคงวาก่อนที่จะบัญญัติคิดดูให้ดีซะก่อนมันเป็นผลเสียผลไม่ดีอย่างไรท่านจึงบัหยัดน ะ, ะต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร